ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ชัยรัตจุดสปาโลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวเปิดเผยว่า ได้รวมกับผู้นำชุมชนในเบตงและพาขี่เครือข่ายขับเคลื่อนเบตงเพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในแต่ละพื้นที่โดยใช้หลัก 5A ประกอบด้วยความดึงดูดความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่พักและกิจกรรมมาประเมินแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งเพื่อช่วยทาให้แผนที่ท่องเที่ยวอาเภอเบตงที่นอกจากจะแสดงจุดท่องเที่ยวแล้ว ยังแสดงเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจุดด้วยโดยผลวิจัยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวมีมากถึง85แห่งทั้งนี้ชุมชนได้เสนอใต้ตงตั้งอยู่ที่ถนนใต้ตงหมู่ที่4บ้านจาระซูซูตำบลทานน้ำทิพเป็นจุดชมทะเลหมอกแห่งใหม่สามารถมองเห็นวิวมาเลเซียได้โดยทีมวิจัยได้เข้าไปให้คำแนะนำในการจัดตั้ง เป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวใต้ตงเพื่อให้มีการจัดการและดูแลพื้นที่เพื่อให้มีการจัดการและการดูแลพื้นที่แห่งนี้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอพร้อมพร้อมเสนอให้เชื่อมโยงกับจุดท่องเที่ยวอื่นๆในตำบลทานน้ำทิพเชนชุมชนซาโฮซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนชาวจีนอายุหนึ่งอยกว่าปีและอยู่ใต้สุดแดนสยาม ที่ทีมวิจัยกำลังหารือกับทางอบอตอทานน้ำทิพย์เพื่อเข้าไปให้ความรู้กับคนในชุมชนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวดาริสาตะ ก, กุลเง็กรายงานกระทรวงพาณิชย์เตรียมประชุมคณะกรรมการการค้าอาเซียนหารือแนวทางอำนวยความสะดวกในภูมิภาค นางอรมนทรทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนครั้งที่14ระหว่างวันที่2อถึงสเมษายนนีน้ณนครหลวงเวียงจันทร์สป ป, อปอลาวโดยจะเร่งติดตามผลการดําเนินการอำนวยความสะดวกการค้าของสมาชิกอาเซียนพร้อมหารือภาคเอกชนอาเซียนหาช่องทางช่วยเสริมความคล่องตัวการทําการค้าในอาเซียนให้มากขึ้นซึ่ง ครอบคลุมประเด็นสาคัญ3เรื่องคือการดำเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีหรือ NTMs ของอาเซียน การติดตามและประเมินผลการดำเนินการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปตามพันธกรณีองค์การการค้าโลกและให้ประเทศสมาชิกนำผลการศึกษาเรื่องระยะเวลาที่แต่ละประเทศใช้ในการตรวจปล่อยสินค้ามาเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิกรับังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ